ยิ่งแก่ยิ่งเร็วนั้นเด็กๆว่าจะหมดปีหนึ่งนานอายุเฉลี่ยของคนรุ่นเราก็ประมาณสาม0มื่นวันยุคนี้อันนี้เกินคนไทยปกติด้วยฉเฉลี่ยตามศาสนาพุทธยุคนี้คนอายุ75หปีอายุเฉลีย่ยถ้าใคร 75ปีแล้วตายก็เรียกตายเพราะหมดอายุนะตายก่อนนั้นตายเพราะกรรมตัดรอนอย่างเงี้ยเราพยายามอย่างไรก็รักษาสิทธิไว้นะมีสิทธิอยู่ย75ปีส0ม0 0วันวันหนึ่งสั้นนิดเดียว<ม>หัดภาวนานะรู้สึกวันคืนล่วงไปรวดเร็วเลยมีความสุขยิ่งภาวนายิ่งมีความสุข ยิ่งเห็นความทุกข์นะเห็นความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นนะก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นเรื่องแปลกใครๆก็กลัวความทุกข์ใครๆก็เกลียดนะใครๆก็อยากหนีมันไม่มีใครยอมรู้มันเพราะพระพุทธ เ, เจ้าสอนให้รู้ทุกข์แปลกสวนความรู้สึกของคนคนทั้งหลายก็อยากหนีทุกข์ไปไม่อยากพบอยากเห็นบางคนก็ทาบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้ไกลความทุกข์ หมืน่นยอดแสนยอเนี่ยคนโบราณรวมความสรุปเนื้อหาสาระคือขอให้ไกลนิพพานหมืน่นยอดแสนยอ <c oughs> ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมหรอกพอเห็นทุกข์นั่นแหละใจจึงเบือหน่ายคลายความยึดถือเห็นแต่ว่ามันเป็นของดีของวิเศษมันก็อร่อยอร่อยไม่คลายความยึดถือหรอกพอเราไม่คลายความยึดถือ ในโลกในรูปในนามในกายในใจนี้ก็ติดใจพัวพันธ์อยู่กับมันเรื่อยๆมีภาระต้องดูแลมากมายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาภาวนานะเห็นความจริงของกายของใจมันทุกข์ล้วนๆเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นซาบซึ้งถึงอกถึงใจนะจิตมันสลัดทิ้งเลย นสลัดคืนกายสลัดคืนใจคืนให้โลกกายนี้ยืมโลกมาใช้ใจก็เป็นของโลกทั้งกายทั้งใจนั่นแหละเรียกว่าโลกคำว่าโลกในศาสนาพุทธไม่ใช่โลกทางภูมิศาสตร์โลกของศาสนาพุทธบางทีท่านก็บอกว่าหมายถึงหมู่สัตว์อันนี้พูดในทางที่เป็นสมุิบัญญัติโลกหมายถึงหมู่สัตว์ถ้าพูดในทางปรมัติธรรมธรรมะแท้ โลกคือรูปกับน้ำไม่มีสัตว์ยังทำ ม, มามีหลายระดับถ้าเมื่อไร่เรารู้โลกคือรู้รูปรู้นามแจ่มแจ้งนะเห็นเลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะคืนกายคืนใจให้โลกกายจะแก่จะเจ็บจะตายมันสมบัติของโลกนี้จะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่ได้เดือดร้อนด้วยละจะพลาดพลากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักจะสมหวังจะผิดหวังเราไม่ได้เดือดร้อนด้วยอันนั้นเป็นเรื่องของจิต จิตมันก็เป็นสมบัติของโลกไม่ใช่สมบัติของเรางั้นภาวนาไปนะมานึงสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปแล้วจะไม่ทูกเพราะโลกอีกต่อไปเรียกว่าคนพ้นโลกนะเมื่อก่อนมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อคนพ้นโลกฟังฟังดูแล้วก็ยังไม่ถูกหลักของปรมัติธรรมมันต้องไม่มีคนพ้นโลกนะมีการพ้นโลกนะมีการพ้นทุกนะแต่ไม่มีคนพ้นทุกข์หรอกไม่มีคน ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเกิดจากความคิดหมามันก็คงรู้สึกว่ามันเป็นคนนะคงรู้สึกคนว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง mm hmm. นะืหมูหมากากไก่มันก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งนั้นนะของเราก็ว่าเราเป็นคนนะอย่างอื่นเป็นสัตว์คนอื่นดูแล้วเขาก็กลับข้างกันสัตว์สัตว์มันก็ดูไอ้นี่สัตว์อะไรวะเดินสองขาสัตว์พิการ mm hmm. นะ ตุเลตุเลตมีสีขานะเอาไปห้อยอยู่ข้างบนนะไม่เอามาใช้เดินเดินก็ช้าสัตว์ชนิดนี้เห็นไหมหมาตัวเล็กกว่าเราก็ย่ยอมวิ่งเร็วอย่างไอ้เหลืองนะ่ะวิ่งเร็วกว่าหลวงพ่อไหลเท่าโมเมนตัม um สูงนะเวลามันชนเนะ่โอ้หลวงพ่อเคยลอยกลางอากาศทิ้งเมื่อไม่กี่วันเนี้ยมันวิ่งมาชนข้างหลังนะงั้นเรารู้สึกเราเป็นคนนะเพราเราคิดนํา หมามันก็รู้สึกมันเป็นคนเหมือนกันส่วนคนก็เป็นหมาชนิดหนึ่ง <c oughs> คงรู้สึกอย่างนั้นแหละเพราะฉะนักฝึกนะเราฝึกของเราแล้วชีวิตเราจะมีความสุขมันจะค่อยๆ ค, คลายออกจากความยึดถือกายยึดถือใจคลายออกมากเท่าไหร่นะก็มีความสุขมากเท่านั้นเพราะกายกับใจนี่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นตัวทุกข์หรอกไม่ใช่โต๊ะเก้าอี้เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ศาลาเป็นตัวทุกข์ นะกายกับใจเป็นตัวทุกข์ทุกข์อยู่ที่นี้ถ้าไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็เหมือนสลัดคืนความทุกข์ให้โลกไปคราวนี้กายมันทุกข์ใจมันทุกข์แต่ไม่มีใครเป็นทุกข์กัมันละพน้นพ้นจากโลกเรียกโลกุตตะเป็นโลกุตตะธรรมไม่ยากนะไม่ยากถ้ารู้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้ารู้หลักและปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติสมควรธรรม เราจะพบความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยยังคุยกับพวกเราหลายคนบอกธรรมะของพระพุทธเจ้านะมันเหมือนมีมนเปลี่ยนใจใจของเราเคยทุกข์นะมันไม่ทุกข์นะมันเปลี่ยนไปเลยสมัยพุทธกาลนะเวลาใครจะมาหาพระพุทธเจ้านะาศาสดาของเขาเนี่ยจะวันไหวมากเลยพยายามห้ามบางคนห้ามเลยนะอย่าไปหาพระสมณะโคดมนะสมณะโคดมมีมนเปลี่ยนใจ ใครไปหาแล้วติดแขกอยู่นั่นเลยไม่ยอมทิ้ง ส, สำนักโคดมสํานักอื่นก็เสียรูปศิษย์ไปเรื่อยๆหลวงพ่อเรียนมนเปลี่ยนใจมาสําเร็จนะ <c oughs> เราเปลี่ยนใจของเราคนแรกเลยเปลี่ยนตัวเองก่อนนะแล้ตอนนี้หลวงพ่อก็มีมนเปลี่ยนใจพวกเราตอนอยู่สวนโพนะมีมานะจากสํานักต่างๆเยอะแยะเลยมาทีหนึ่งหลายๆคนมาเป็นทีมๆนะที่มาสู้กับเรามาเถียงกับเรา <c oughs> ไม่ได้มาเรียนนะ เราก็ชวนให้เรียนอย่างนู้นเรียนอันนี้นะพอรู้รจักการภาวนาแล้วเปลี่ยนใจติดแงะอยู่กับหลวงพ่อนี่เยอะแยะเลยนะพวกเราที่จำนวนมากเลยบางทีมาจากสํานักต่างๆทําไมมันเปลี่ยนแปลงทําไมมาติดอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเราพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้เราเคยมีความทุกข์มากๆนะมาฟังธรรมมหัดภาวนาถูกายดูใจความทุกข์ของเราน้อยลงไป ความทุกข์เคยนานก็เหลือความทุกข์สั้นๆฝึกไปเรื่อยนะวันหนึ่งจะไม่ทุกข์เลยมันเป็นกําไรของชีวิตที่พิเศษที่สุดเลยการได้มีชีวิตอยู่โดยไม่ทุกข์ทำไมเราต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์ตลอดกาลลนะ่ะเรื่องอะไรอะชีวิตสาม0 0ื่นวันเอาไปจมกับความทุกข์หมดมันเรื่องอะไรใช่ไหมมันโง่นะงั้นศึกษาธรรมะไปเราจะมีชีวิตสมมติว่าเหลืออีกหมื่นวันโอ้โหกําไรลนะ มีชีวิตที่มีความสุขมีความทุกข์น้อยนยน้อยลงน้อยลงนะหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยมาถึงวันนี้หลวงพ่อพูดเต็มฝากเต็มคําเพราะพยานเยอะพวกเราที่ภาวนาแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเราพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองจิตใจของเราเปลี่ยนนะมีความร่มเย็ยนเป็นสุขขึ้นมาท่ามกลางความวุ่นวายเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วเราก็มีความสุขมากขึ้น ตัวเองมีความสุขก่อนนะแล้วต่อไปคนในบ้านคนในครอบครัวที่แวดล้อมอยู่เขาก็มีความสุขเขารู้สึกได้ถึงความเปลีป่ยนแปลงของเราเองนะหลายคนบอกว่าจะสอนคนในบ้านให้ภาวนาจะทํำยังไงนะสอนยากเลยเฉพาะสอนพ่อสอ น, อสอ น, อสอนแม่ทำยากอย่าไปคิดสอนสินะฝึกตัวเองให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นนะถ้าเรายัางขี้โมโหเหมือนเดิม แ, แ, แ, แ, แวดวดแวดวดเราก็บอกว่าธรรมะดีนะให้พ่อให้แม่มาเรียนนะ <c oughs> ใครก็ไม่เชื่อหม้ายังไม่เชื่อเลย นะบางบ้านร้ายนะหมาเห็นหมากลัวนะหมาสยองหมาสยดสยองนะงั้นถ้าเราเปลี่ยนตัวเราเองได้นะเปลี่ยนใจของเราให้ได้กันใจที่เคยจมในความทุกข์มันหลุดออกมาได้มันเป็นอิสระขึ้นมาทุกน้อยลงน้อยลงนะคนรอบๆตัวเราเขาสังเกตเห็นเองแหละ เ, เขาสังเกตเห็นนะจะเริ่มสนใจว่าทํอยังไงนะนางมาร้ายคนนี้มันดีขึ้นหรือให้มาร้ายตัวนี้มันดีขึ้นนะ มันมารทั้งนั้นอ่ะนะค่อยฝึกไปแล้วเราพบว่ามารตัวนี้เปลี่ยนไปดีขึ้นดีขึ้ น, น, นวันหนึ่งก็เป็นฝ่ายเทพภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปไม่มีทั้งเทพทั้งมารโอ้ยิ่งสบายใหญ่นะต่อไปนาทีพิกฤตมาถึงแล้วจะตรวจกันบ้านละที่หลวงพ่อเทศเทศเพื่อรอพวกเราอย่างเข้ามาไม่พร้อมคนที่อยู่วัดนะมีสิทธิ์ส่งกันบ้านก่อนแต่ถ้าจะไม่ส่งก็ไม่ว่าอะไร ไม่ต้องเครียดนะอ้าวเชิญการนมันสการหลวงพ่อครับก่อนหน้านี้หลวงพ่อเคยดูว่ากดจิตอยู่ตอนนี้ก็ยังกดอยู่นิดๆอยู่ใช่ไหมครับดู <laughs> ออกยงังเอูออกไหมที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อใส่ไลนม์มาว่ากดไหมไม่ครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ที่ฟุ้งซ่านนี่ก็สังเกตเห็นมากขึ้นว่าตัวเองฟุง้งซ่านเออดีครับรู้สึกไหมเราจิตใจเราเปลี่ยนแปลงดูออกไหม รู้สึกว่าเบาขึ้นใช่มันโปร่งมันโล่งมันเบานะรู้สึกไหมมันสบายมันสงบมันสะอาดมันสว่างขึ้นครับมันรู้มันตื่นมันเบิกบานมากขึ้นรู้สึกไหมไม่ได้ทําอะไรครับแค่รู้ทันความปรุงแต่งของจิตนะจิตใจก็รู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างมากขึ้นมากขึ้นแล้วง่ายจะตายง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะครับแต่เกิดไม่เจอหลงพ่อก็คงลําบากเนี่ยเขาเรียกว่าง่ายปางตาย แล้วก็ตอนนี้เนี่ยจิตมันจะเหมือนกับว่าพยายามจะมาฝึกด้วยตัวของมันเองครับเราไม่เด้ให้รู้ทันมันนะเราไม่ทำอะไรหรอกแต่จิตมันจะทำอะไรเราคอยรู้ทันมันจับหลักให้แม่นแม่นดูมันไปดูมันทำงานเราไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่าความโมโหของตัวเองนี่มันจะค่อยๆลดลงแล้วก็พอโมโหปุ๊บก็จะดับแล้วก็จะยิ้มให้กับตัวเอง ดีนะนั่นแหละความทุกข์เราไปความทุกข์ผุดขึ้นมาก็รู้แล้วก็ดับไปบชีวิตเราก็โปร่งโล่งเบารู้สึกไหมเบาขึ้น ร, รู้สึกไหมโปร่งรู้สึกไหมโลง่งไม่ได้โกหกเลยเห็นไหมพยานเราเยอะนะทุกวันนี้คนทําได้เป็นพันพันหมื่นหมแล้วนับไม่ถูกแล้ว แล้วก็จะมีสภาวะหนึ่งคือบางทีรู้สึกมันวงบวงในท้องนะคะเออนั่นแหละดูไปอยู่ข้าวหรือเปล่าบวงในท้องเปล่าฮะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนโล่งโล่งือนโล่งอยู่ในอกนะเราไม่คุ้นเคยกับภาว ะ, ะที่ไม่ได้แบกได้หามยกตัวอย่างสมมติว่าเราเกิดมาเป็นลางโง่ตัวหนึ่งนะที่ไปกินหญ้ากินน้ําค้างอะไรพวกนี้เป็นลาตัวหนึ่งนะแล้วก็แบกของตลอดชีวิตเลยวันหนึ่งไม่มีอะไรแบกนะั้นรู้สึกบวงบวง มันเกิดอะไรขึ้นชีวิตวงนะงโงหงงลาโง่ตัวนี้ก็แบกภาระในใจมาตลอดนึกออกไหมพอวางลงไปรู้สึกโง่งงนะรู้สึกแปลกๆใช่ครับรู้สึกเวลามันเหมือนกับว่าเวลาจะวางอะไรแล้วมันจะโง่งงอยู่ในออมันยังไม่คุ้นเคยกับความเป็นอิสระรถ้าคุ้นเคยแล้วไม่เป็นหรอกนะไม่โง่งงอ่ะคุ้นเคยแล้วมีความสุขถ้าไปแบกอะไรสักนิดหนึ่งยังมีความทุกข์ครับ เวลาที่ภาวนาจนสุดขีดแล้วนะยิ่งวันนี้อีกมันความสุขที่เกิดขึ้นนะมันรุนแรงรุนแรงเหมือนเราจะตายเลยความสุขมันรุนแรงขนาดนั้นนะนี่แค่วงหงงนะยังไม่ถึงขนาดบูบบ а บบั่นไหวหวิวหอะไรนครับมีแค่นี้ครับนั่นแหละดีฝึกไปอย่าท้อถอยนะครับทุปันต้องฝึกไปเรื่อยเดินไปวันละเก้าสองเก้านะวันหนึ่งก็ถึงถ้าขี้เกียจนะมันก็ไม่ถึง ภาวนารู้หลักแล้วก็ทําขยันอา้าวไม่เอาก็ส่งต่อไม่ว่าหรอกนะน้ัสการ์ค่ะหลวงพ่อคือพอปฏิบัติแล้วมันจะรู้สึกว่างงๆอะค่ะงงก็รู้ว่างงสิมันจะมันจะบอกว่าเวลาอย่างเดินจงกรมอะคก็คือมันจะสับสนจนรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกายดีดูกายให้รู้<ง>ทันเลยว่าจิตกําลังสับสนอยู่อ ะ, อะไรที่โดดเด่นขึ้นในขณะนั้นรู้อันนั้นแหละ แล้วเราสับสนแลไรยังไงต่อค่ะหมอรู้ว่าสับสนเห็นไหมบอกแล้วนะเพรสับสนสับสนก็รู้ว่าสับสนดูไปสิใจมันสับสนดูไปที่ความรู้สึกสับสนะดูเฉยเฉยแล้วมันก็ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไปดูที่ความฟุ้งซ่านดูเฉยเฉยไม่ต้องกลับมาที่เหมือนกับเรานึกได้ปุ๊บก็ไม่ต้องกลับมาปล่อยไม่ต้องกลับมาให้รู้ว่ามันหลงไปแล้วให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านไปแล้ว ให้รู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรต่อจากการรู้รู้แล้วจบลงที่รู้ถ้ารู้เราดึงคืนมาจะแน่นๆอย่างที่เป็นนี่แหละแล้วทือๆแน่นๆอย่างเงี้ยพอรู้แล้วไปดึงเอยรู้แล้วจบลงที่รู้สิไม่ใช่รู้แล้วทำอะไรต่อฝึกไปค่ะใช่ฝึกไปไม่มีทางเลือกอถ้าต้องการพ้นทุกข์ก็ฝึกไปแต่ก่อนจะฝึกไปต้องเรียนให้รู้เรื่องก่อน อ, อย่างพวกเราบางคนน่าสงสารมากๆเลยนะอยากพ้นทุกข์นะ ไปเข้าวัดเข้าคอร์สอะไรก็รู้ภาวนาบ้าๆบอๆไปยิ่งทุกข์มากกว่าเก่าอีกภ mm hmm. าวนาเราเครียดเป็นโรคจิตเป็นอะไรนี่เยอะแ ย, ย, ยะเลยหมอโรคจิตนะั่งกลุ้มใจมากเลยแต่เดิมนะมองผู้ปฏิบัติในทางลบเลยพวกหมอโรคจิตนะ่ะเขไปสร้างงานให้เขามาก mm hmm. ดีนี้หมอโรคจิตมาเรียนที่หลวงพ่อเยอะเลยแล้วก็มีไม้ตายแล้วทีวนี้บางคนนะคนไข่บางคนกินยาอย่างไรก็ไม่หาย เลยหมอตัดสินใจเด็ดขาดเอาซีดีหลวงพ่อไปให้คนใข้ฟัง <laughs> <laughs> เ่อมันหายได้นะพ <laughs> ราคนเรามันรู้ทันใจของตัวเองนะใจมันจะเครียดขึ้นมามนรู้ทันก็สลายออกไปไม่เครียดไม่เครียดนจะบ้าได้ไง <c oughs> ยกเว้นพวกที่เป็นโรคประสาทนะสมองพิโกนพิการอะไรเงี้ยแล้วดูบ้าบ้าอันนั้นไม่หายแต่ถ้าเกิดจากจิตใจก็หายนะนี่ก็ดูไปเรื่อยๆดู <c oughs> เรื่อยๆไม่ได้เพราะยังเพ่งอยู่ ให้รู้ว่าเพง่งนะให้เป็นสังเกตที่เพงเ่งอะไรคะให้รู้ทันนะใจไปทำอะไรให้รู้ทันตอนนี้ใจไปเพ่งทื่อๆอยู่ก็รู้ทันนะรู้จกนกระทั่งเป็นอิสระเลยปล่อยให้มันทำงานไปโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงการเข้าไปเพ่งก็คือการแทรกแซงนะอ่ะต่อไปนำมัสการค่ะอยากดีค่ะอยากดีก็ทุกแหละค่ะใช่ค่ะแล้วก็ แล้วก็พอจะมาวัดก็พยายามจะทําดีอแล้วใจมันก็ไม่เอาทำดีเพื่อพ่อหรือเปล่าหรือเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองค่ะไม่เพื่อพ่อนะแล้วไงก็พออยากจะทําแบบอ่ะตื่นตีสี่เขาพูดกันเยอะเราก็อยากจะทํบ้างตื่นสายสายเราก็ฮ่าตื่นแล้วก็ใจมันไม่เอาไม่เอาอะไรคือมันไม่ยอมมันมันไม่ยอมนั่งอะไรเงี้ยค่ะมันมันก็หนีภาวนาไม่เกี่ยวกับการนั่งนะ เงั้นตื่นขึ้นมาแล้วใจขี้เกียจ ร, รู้ว่าขี้เกียจใจอยากไปนอนอีกรู้ว่าอยากไปนอนอีกอ ก, ก็กตามรู้อย่างนั้นเลยก็ลู้มานั่งแล้วก็นั่งแล้วก็รู้สึกว่าง่วงอยากนอนแล้วก็ลงไปนอนแล้วก็นอนเลยนี่ไม้ตาย <laughs> <laughs> กระบวน้าไม้ตายนี้สูงสุดกลับสู่สา ม, มัญทำหมต่อไปนี้ตื่นมาตีสี่ลุกขึ้นมานั่งนะนั่งแล้วง่วงอยากนอนลุกขึ้นไปเดิน เดินแล้วค่ ะ, ะก็เดินเดินเดินสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลงมานั่งแล้วมันก็ง่วงทางที่ดีนะ <c oughs> ไปเดินให้มันไกลๆที่นอน <c oughs> ที่นอนมันมีแรงดึงดูดมันมืดค่ะมันมืดนะ <c oughs> แดงน้อยนัตื่นขึ้นมารีบเก็บที่นอนไปเลย <c oughs> อให้มันไม่มีที่จะนอนนะ่มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อพรหมหลวงปู่พรหมชีละปุญโญ กุฏิท่านนั้นดูปกติดีนะแต่พอเปิดเข้าไปในกุฏิเพราะว่าไม่มีพื้นมีไม้กระดานอยู่อันเดียวไว้นั่งไม่มีที่ให้นอน <c oughs> ท่านภาวนาของท่านแบบไม่นอ น, นอย่านอนเยอะเสียเวลาสามหมื่นวันเนี่ยคนเราใช้นอนไปแล้วนึหมื่นวั น, นในสามหมื่นวันที่มีชีวิตเรานอนย5ส้าปีนะคนนึงอะนอนเยอะ งั้นเราจะแถมให้กลายเป็น26ปีนอนพออิ่มนะพอสบายใจไหายอ่อนเพลียลุกขึ้นมาดูเล่นๆไปนะไม่มีอะไรทําก็ลุกขึ้นมากวาดบ้านทํางานอะไรเงั้ยเคลื่อนไหวมันเล่นไม่ค่อยเป็นมันชอบเพ่งค่ะเหรอแล้วก็รู้ว่าเพง่งแล้วก็เรามันก็เผลอก็ถูกแล้วนี่ทุกคนก็เป็นมีใครไม่เผลอมีไม้มมีใครไม่เพง่งมีไหม มันเผลอยาวเผลอยาวเพราะว่าอยากให้สั้นใช่ไหมใช่อยากก็ให้รู้ว่าอยากแล้วมันจะเผลอพอดีใช่แล้วมันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะวิ่งไปวิ่งมาก็ถูกแล้วเพราะว่ามันปรุงแต่งเราก็ดูมันวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเราดูฟุตบอล น, นะเห็นเขาวิ่งไปวิ่งมาเราไม่เกี่ยวให้เราก็เห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาเราไม่เกี่ยวดูอย่างงี้อดทนนะอย่าไปนอนเยอะนอนพอหายง่วงหายเพลียสมัยหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อ บวชใหม่ๆอมพันศาแรกสองพันษาแรกโอ้โหผอมกคโลโกโสเลยนอนเป็นงิบๆนะไม่ได้นอนเป็นชั่วโมงหรอกนอนไปพอหายเหนื่อยหายเพลียนั้นก็พอนาต่อภาคเพียนเมื่อไหร่จะเป็นพระอรหันต์โว้ยภาคเพียนอยู่สองปีสองพันศาแล้วเออค่อยสบายใจปลอดโปร่งนะสว่างสบายทั้งวันทั้งคืนสบาย นานๆมองได้อีกแล้วพรรษาที่สามยังทนไม่ได้เลยภาวนามาดีๆแล้วมันมัวๆไปอีกมัวนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้มัวมืดตื้อๆหรอกมัวนิดหน่อยก็ทนไม่ได้อีกแล้วจนกระทั่งต่อสู้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะจนวันหนึ่งชาตินี้มันได้แค่นี้แล้วช่างมันเถอะช่างมันเถอะเนี่ยต้องช่างมันเถอะหลังจากที่สู้เต็มที่แล้วนะอย่ามาจําคาถาอันนี้ไปใช้ตอนนี้นะเดี๋ยว พอตอนนี้พอนึกถึงคำหลวงพ่อก็ช่างมันเถอะไปนอนก่อนเลยว่าไปเที่ยวก่อนแล้วช่างมันเถอะนะอย่างนั้นไม่ได้นะสู้สุดฤิสุดเดชเลยต่อสู้เอาเราต้องการความพ้นทุกเราก็ต้องสู้เอาไม่มีใครช่วยเราได้พอจะดูแล้วมันก็จะขวานควานรู้ว่าควานเห็นไหมควานก็รู้ว่าควานขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจท้อใจรู้ว่าท้องงรู้ว่างงควานรู้ว่าควานแล้วก็ยังควานต่อใช่ไหมคะ มันขวานเรื่องของมันดูมันควานรับรองมันไม่กวานหรอกไม่นจะกลับมาเพ่งแทนเห็นไหมมาฆ่าเลยเมื่อกี้มาถามเราว่าจะกวานต่อบไหมมันกลับมาเพ่งต่าหากเหรเห็นไหมให้รู้ทันลงปัจจุบันเป็นขณะขณะนะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปชีวิตจะไม่ถูกหรอกนะค่อยๆฝึกเอาพยายามอยู่กับปัจจุบันไปมันเป็นยังไงรู้ไปนะไอ้หนูฝึกไปอ้า ครับน ka, มาสก้าหลวงพ่อครับเป็นครั้งแรกที่มาก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ ว, ว่าพวกที่มาหลายรั <c oughs> งก็ตื่นเต้นมีมีคำถามคือก็คื อ, กคอปกติก็ปฏิบตัติแล้วก็พยายามจะดูจิตไปเรื่อยในยแต่ในระหว่างวัน อ, อ่พอก่อนนอนก็จะพยายามจะนั่งสมาธิให้แบบเป็นรูปแบบครับพอตอนนั่งอยู่ก็พิจารณาลมหายใจไปเรื่อยพิจารณาเปสักพักหนึ่งก็รู้ว่าจิตมันจะฟุ้งซ่านแล้วคิดไปเรื่อยเปื่อย สักพักหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าจิตมันก็กลับมาที่ลมหายใจแล้วมันก็จะหยุดนิ่งไปขนาดหนึ่งเราควรจะเราก็ตามดูไปนะเราไม่ได้พาวนาเพื่อให้มันนิ่งตลอดการเราพาวนาไปเพื่อจะรู้ทันจิตงั้นอย่างเรานั่งหายใจเรานั่งพุทโธเรานั่งดูท้องพองยุบหรือเราเดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่จิตนี้ไปคิดรั้ว่าหนี่ไปคิดจิตไปเพ่งรั้วไปเพ่งจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นงั้นตามรู้มันไปเรื่อยๆ เล้อไอ้ช่วงเวลาที่มันรู้สึกแบบว่างไปเล ย, ยว่างๆรู้ว่าว่างนะถ้าพอใจในความว่างรู้ว่าพอใจให้รู้ทันปัจจุบันไปได้คือตอนนี้ก็พยายามจะพำแล้วให้มันเกิดความว่างอย่างนั้นไม่เอาความว่างไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยนะความว่างเป็นพบอีกชนิดหนึ่งที่เราไปสร้างขึ้นมาผู้ปฏิบัติหลายคนเลาไปสร้างพบของความว่างแล้วก็ไปติดอยู่ในความว่าง ใช้ไม่ได้อย่างงี้เนี่ยว่าปฏิบัติมาถูกทางไหมครับถูกสิรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยแล้วถูกนะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมชีวิตจิตใจเ ป, เปลี่ยนอ้าวต่อไปเชิญยกมื อ, อบบเบอร์เจ็บเอดเบอร์อะไรที่นั่งด้วยกันร้อยสาสิ่ครูเนี่ย ค, คงไม่ภาวนาหรอกวันวันซ้อมยกมือไหวหรือเกินอะยกได้ก่อนเพื่อนเลยอ้าวว่าไปมรดการกับหลวงพ่อคือช่วงนี้ดูจิตสบายขึ้นนะคะ แต่บางทีมันมักจะแบบเหมือนกับลอยๆออกมาข้างนอกอะค่ะก็รู้อร่อยนะการภาวนานะไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมในกายในใจนี่มันอะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงมีหลักเท่านี้นะหลักเท่านี้อย่าทําให้มันเกินเราชอบแทรกแซงแล้วไงอีกแล้วเวลาเจอภาษาะค่ะหลวงพ่อบางทีมันเวลาอะไรนะเวลาเจอภาษสะอะไรมันกระทบใจอะค่ะสุดรเรื่องไม่ดีเหมือนกับ ไม่รู้ว่านี่ใส่ใจมันแบบไม่เอาเองหรือเปล่าอะค่ะคือมันจะพอกระทบปุ๊บก็จะรู้แล้วก็เหมือนกับไม่รู้ว่าใจมันหนีที่จะไม่รับทุกเองหรือว่าหรือว่ามันหยุดของมันเองอะ่ะมันหลุเองมันพอน้ำเป็นละมันหลุดออกมาเองแล้วไงอีกแล้วมันก็เหมือนกับแบงๆอะคะ่ะเป็นบ่อยอะคะ่ะแบงแบๆก็รู้ว่าแบงๆมันจะแบงไปเป็นช่องเล็กๆช่วงขนาดที่หลวงพ่อพูดตะกีไ้ไงว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็มีช่องแบงๆมาคั้นทช่องว่างมาคั้น แล้วก็ขึ้นมาสู่วิถีขึ้นรับอารมณ์ใหม่เกิดดับไปเรื่อยๆแล้วช่วงนี้เวลาภาวนาค่ะถ้าเกิดว่าในรูปแบบเยอะอะค่ะมันเหมือนจะแบบมันจะไปเพ่งๆหน่อยอะค่ะก็เลยแค่สวดมนอย่างเดียวอะค่ะอะไรนะก็เลยแค่สวดมนอย่างเดียวอะค่ะหลวงพ่อเพ่งก็ไม่เป็นไรเพ่งรู้ว่าเพ่งนะมันเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยรู้ด้วยใจที่เป็นกลางหนูต้องเพิ่มในรูปแบบเพิ่มอีกไหมคะรูปแบบอย่าทิ้งนะ ทิ้งแล้วจะหมดแรงคือต้องเพิ่มปริมาณอีกไหมคะคือตอนนี้ก็คือทําระดับหนึ่งแล้วคะ่ะแต่ก็ทําเท่าที่ทําได้คะ่ะะทําเท่าที่ทําได้นะแต่เพื่ออีกหน่อยต้องเพิ่มนิดหน่อยค่ะนะต้องใช้แรงที่มากกว่านั้นหลวงพ่อจะให้การบ้านเพิ่มไหมคะไปฝึกเอาอย่าขี้เกียจในรูปแบบอย่าท้อทิ้งนะค่ะนั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี่ยต้องทําถึงจุดหนึ่งต้องทําบางคนหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องทํา เพราะว่าติดสมถะมาอย่างรุนแรงก็บอกให้หยุดไปก่อนพอจิตมันตื่นแล้วก็ทิ้งไม่ได้หรอกสมถะก็ทิ้งไปน่าใจไม่มีแรงไม่มีแรงเดินต่อไม่ไหวอ่ะขอบคุณค่ะมัสการทุกข์กัหลวงพ่ออาทิตย์ที่แล้วที่หลวงพ่อบอกว่าจิตไม่มีแรงอะค่ะแล้วก็ให้ไปปริกรรม ดีขึ้นบ้างไหมเจ้าค่ะเรารู้ตัวว่าดีหรือไม่ดีอะรู้ว่ามันดีขึ้นแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่สงสัยอะค่ะว่าเวลาอยู่บ้านนะคะยังแล้วดูไม่ว่ากําลังสงสัยดูค่ะแต่ไม่แน่ใจก็เลยมาถามหลวงพ่อว่าไม่แน่ใจเรารู้ไหมว่าไม่แน่ใจแล้วอยากถามรู้ไหมไม่อยากถามอยากเจ้าค่ะเพราะว่าสงสัยว่าเคยเก็ตไหมว่าความอยากครอบงําจิตดุกไหมดุกเนี่ยความอยากยังครอบงําอยู่ขณะนี้นะใช่ยายปล่อยให้อกุศลครอบงําสิ รู้ทันลงไปแล้วก็สงสัยอยู่เรื่องเนื้อค่ะทุกไม่ยอมเลิอก <laughs> อ้าวว่าไปไม่บกว่าคือคือเวลาเดินจงกรมกับนั่งสมาธิอะค่ะรู้สึกว่าถ้านั่งลดจิตมันจะมันจะมีแรงมากกว่าไม่ทราบว่ารู้ถูกไหมคะเวลาอยู่บ้านแล้วแต่ถนัด <c oughs> บางคนนั่งแล้วไม่มีแรงเคลิ้มไปเลยใช้ไม่ได้ถ้านั่งแล้วรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็ใช้ได้ แล้วที่หนูสงสัยนี่ถูกไหมเจ้าคะว่าหนูนั่งดีกว่าเลยอยา่าขี้เกียจเดินนะอย่าเอาคำพูดหลวงพ่อไปเป็นข้ออ้างที่จะไม่เดินจงกรมนะ <c oughs> เราต้องทำในทุกอิทยิยบด ท, ทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่นเรียกเดินจงกรมไปเดินช้อปปิ้งได้ครั้งหนึ่งกี่ชั่วโมง <c oughs> ายอยู่นั่นแหละโง่เฮงให้หน่ <c oughs> ว่าเดินช้อปปิ้งเก่งเ <c oughs> ดินช้อปปิ้งต่อไปนี้นะมีเคล็ดลับ อย่าพกเงินไปอย่าพกบัตร ATM ีเบัตรเ <laughs> ครดิตไม่พกนะเอาเงินไปนิดนิดหน่อยหนยแล้วก็ไปเดินดูใจที่อยากไอ้นนทนก็อยากไอ้นี่ก็อยากนะนอยากแล้วมันก็กลับมาถอนทุกทีกอะไรนะมันอยากแล้วมันก็กลับมาเอาทุกที <laughs> <laughs> นั่นแหละถึงบอกว่าอย่าพกเงินไป <laughs> นก็กลับไปเอาอีกเลยไปหัดดูนะเพราะใจของเรามันยังชอบความสบายนะความสวยความงามความสุขอะไรพวกนี้ แล้วรู้สึกอยู่ในร่างกายให้มากๆนะดูกายมันทำงานไปเรื่อยใจมันจะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาว่าร่างกายที่เราว่าเป็นของดีของวิเศษของสวยของงามเนี่ยไม่ดีจริงหรอกร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามนะโศกโปรร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากรรมฐานที่เหมาะกับคุณนะคือการรู้กายนะดูกายดูไปเรื่อยอา้าวต่อไป1นึหนึ่งแล้วก็มาเบอร์สิบ เบอรอะไรเห็นแวบๆแบบเดี๋ยนะหลวงพ่อตาลายของพ่อแก่แล้วลวงก่อตาฟางไปหมดเลยอ๋อวันนี้ไม่ค่อยสบายด้วยจิตมันมัวมัวโ ม, มหะมันแทรกครับดูไม่ค่อยออกวันนี้มาคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าผมติดสมถะครับแล้วผมก็กลับไปดูแล้วมันก็รู้สึกว่าจิตเขาจะชอบสมถะพ่า ม, มันสบายใช่วันนี้ดีขึ้นนะจิตออกมาเคลื่อนไหวแนะครนะมันมันอยู่นอกๆไหมครับหลวงพ่อไม่นอกไม่นอกกําลังพอดีพอดีครับนะ รู้สึกไปอย่างตอนเนี้ยมันสงสัยขึ้นมา ร, รู้ว่าสงสัยไปยังของผมที่ผมดูจิตลงไปตรงๆเลยรู้ว่าตัวหนุกใครครับหลวงพ่อดูลงไปไ ด, ด้ดูจิตไปได้ครับผมเป็นคนคิดมากอะเออนั่ยเนี่ยดูจิตได้อย่างคุณ น, นี่ดูไม่ได้หรอกวิหญาณเนี่ยต้องไปช้อปปิ้งแล้วก็ดูเห็นร่างกายนะดูกายไปให้ทํากรรมฐานอื่นไม่ชอบเลยชอบกรรมาฐานช้อปปิ้งหลวงพ่อครับอย่างจิตที่ตื่นแล้วเนี่ยแล้วมันมีวันที่มันหลับได้ไหมครับหลับแน่นอน วเวลาตื่นตื่นเป็นขณะขณะไม่ตื่นตลอดรอครับ <นะ S 2> ขอบคุณมากครับแต่ของคุณมันตื่นได้นานเพราะว่าจิตมันเคยทรงสมาธิอยู่ครับทำสมาธิมาเยอะงั้นเวลาตื่นมันตื่นยาวเลยครับเบอร์10เบอร์1 0นะแล้วก็เบอร์94านี่จำได้ยกมารอบนลแล้วก็สองคนนั้นเจ็ดสมก็เบอรอะไรแล้วก็นอนใส่แว่นตาเบอร์บสองนะ อันหนึ่งสองสองจำเบอร์ไว้นะที่หลวงพ่อเรียกไปลว ะ, ะวนะเอาเบอร์สิบนมาสการครับคือที่พระอาจารย์ทักตอนเช้านี้ผมไม่เคยเห็นสภาวะนี้ครับมันไหวอยู่นิดเดียวตอนนี้รู้แล้วครับอืแล้วก็ผมไม่รู้ว่าสายตาผมมีปัญหาหรือว่าอะไรผมมองพระอาจารย์ไม่ชัดไม่ชัดไม่มีใครเห็นหลวงพ่อชอัดมันจะมืดลงแล้วก็เพ่งเหีกจนแสบตาเอ่ ะ, ะมองไม่ได้หรอก เพราะในความเป็นจริงเนี่ยจักขูวิญญาณจิตหรือจิตที่ไปรู้รูปทางตาเกิดครั้งละขณะเดียวไม่จะมองให้ต่อเนื่องไม่ได้นี่สติเราเร็วขึ้นเราเห็นเป็นภาพเป็นช็อตช็ อ, ช อ, ช อ, ชอชไปนะเราไม่ได้เห็นต่อเนื่องหรอกนั่นแหละสติมันเร็วขึ้นไม่ต้องตกใจนะไม่ได้เป็นโรคจิตไม่ได้ประสาทเสียสมองพิการไม่ได้เป็น <c oughs> สติเราเร็วขึ้นเลยเห็นมันดับดับดับรู้สึกไหม <c oughs> เห็นหลวงพ่อดับไหมวับวับวับเห็นไหมดูได้ไม่ชัดนะ ชัดได้บูบเดีย ว, วยยรู้ออกไหมชัดได้บูบเดียวแล้วก็จะเบลอบไปดูหมาก็เหมือนกันแหละปฏิหารอย่างเดียวกันเลยขอบคุณครับเบอร์อะไรที่เรียกไว้แล้วนะเมื่อกี้7 3็ 73, 2 2 2บสานะเดี๋ยวเปอร์กเนี่ยเติมมาที่หลังละร้อยเท่าไหร่ร้อยสแล้วมีใส่แว่นตาอยู่ข้างหลังอีกคนนึงเมื่อกี้เนะี่ยเอาเอาเท่าที่เรียกไว้ก่อนนะเนี่ยจาไม่ได้กราบนมรดกการหลวงพ่อครับ ครั้งที่แล้วมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อแนะนําว่าให้ลดความจงใจลงครับแต่ตอนตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับมันโปร่งมันเบาสบายครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าจิตมันเป็นอิสระได้ได้มากขึ้นเนี่ยใช่จิตนั้นโดยตัวมันเองนะเคลื่อนไหวรวดเร็วอยู่แล้วเราชอบไปแทรกแซงไปบังคับให้มันนิ่งมันก็อึดอัดสิครับนะพอเราไม่บังคับมันรู้สึกไหมทํางานรวดเร็วครับทํางานไปแล้วเราดูเล่นๆเราไม่หนักหรอกไม่เครียดไม่หนักดีภาวนาอย่างนั้นหลวงพ่อครับแล้วบางที ที่แบบว่าปฏิบัติแล้วมันเหมือนกับว่าตามรู้ได้ดีนะครับแต่ว่าบางครั้งเหมือนทําไม่ได้เลยแล้วมั น, มนก็ไปงุกไปอะไรเงี้ยเป็นปกติเป็นอย่างเงี้นทุกคนแหละครับขอบุญครับส่งไปข้างหลังเอ๊ะข้างไหนเบอร์ร้อยยบอะไรร้อยยีบสองวันนี้หลวงพ่อฉันยาเข้าไปนะเมาหมัด <c oughs> แกเป็นมวยหมัดเมาตัวนี้นนกราบนักสังกัดหลวงพ่อครับไม่ทราบว่าผมติดนิ่งไปหรือเปล่าครับนิดหน่อย ไม่มากนะมีนิดนึงคือผมชอบไปที่ที่มันท้าทายครับพอไปแล้วรู้สึกที่ที่ท้าทายครับที่ที่น่ากลัวครับพอไปไปที่น่ากลัวแล้วมันรู้สึกกลัวขึนมาแล้วรู้สึกมันรู้ทันมันทันทีครับแล้วก็รู้สึกปลื้มดีใจมากเลยครับที่รู้สึกมีความสุขมากน่ากลัวรู้ว่าน่ากลัวนะอแล้วรื้มรู้ว่ารื้มครับไม่ทราบว่ามันตื่นขึ้นมาหรือเปล่าครับตอนที่ไปเจอสิ่งที่กระตุ้นขึ้นมาดีสิแต่ของคุณมันไปติดความปลื้มใจไปเลยมันรู้สึกกูเก่งขึ้นมานะครับ ให้รู้ทันตัวนี้อีกราะฉะั้นเราไปอยู่ที่น่ากลัวแล้วก็พอเราสู้ได้เราภูมิใจให้รู้ว่าภูมิใจ ร, รู้สึกกูเก่งหรือว่ากูเก่งครับเนี่รู้ทันออกไปเป็นชั้นชั้นไป แ, แล้วไม่ทราบกรรมฐานที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือเปล่าครับใจไม่ค่อยตั้งมั่นนะครับก็คือต้องทํรราสมถะมากขึ้นด้วยเ่าครับสมถะก็ต้องทํานะแต่ว่าไม่ใช่เพ่งให้ซึมๆนะครับจิตขนาดเนี้ยรู้สึกไหมมันออกข้างนอกครับ ให้รู้ทันว่าจิตออกนอกไหมแล้วมันจะเข้ามาเองอะ่ะขอบพระคุณครับจิตของคุณมันไม่ถึงฐานเันออข้างนอกอไปเบอร์ยี่สิบสองยีอก่อนนะ <20 S 1> อ๋อนีร้อยสเรียกไว้แล้วเดี๋ยวให้เข้าก่อนนะอยู่คนเดียวทางซิกนี้ทางนี้หลายคนกลับมนมาจการหลวงพ่อค่ะโยมมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะโยมเคยฟังซีดีของหลวงพ่อและอ่านหนังสือแล้วก็พยายามปฏิบัติตามแต่โยมก็ยัง รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจดีนะคะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยเจ้าค่ะการปฏิบัติไม่ยากอะไรนะลืมคําว่าปฏิบัติซะยมโมโหเป็นไหมเป็นเยอะเจ้าค่ะโอะเพราะงั้นเวลาใจโมโหนะเราก็เห็นว่าใจกําลังโมโหอยู่ดูซิเธอจะโมโหนานแค่ไหนเนี่ยคอยดูอย่างนี้เรื่อยๆเจ้าค่ะใจมันสงสัยก็รู้ว่ามันสงสัยดูมันเล่นๆไปดูซิมันจะสงสัยได้สักแค่ไหนไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะแค่รู้เฉยๆ อย่าตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมทาบเจ้าค่ะเออใจไปคิดก็รู้ว่าใจไปคิดไม่ว่ามันใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึกแค่นี้ก็พอละนะขอบพระคุณเจ้าค่ะเอามาทางนี้มีอยู่หลายคนเลยกลุ่มนี้ยครับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะฟังซีดีมานะคะอยากให้หลวงพ่อช่วยดูและแนะนำวิธีการู้สึกติได้ไใจเราเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงค่ะเนาะใจมันโปร่งมันโล่งมันเบากว่าเด็กก่อนแล้วค่ะ ดูไปอย่างงั้นแหละดูได้ดีแล้วดูอีกค่ะอย่าขี้เกียจนะหนูต้องใช้กรรมาฐานอะไรบ้างป่ะคะดูอย่างที่ทํามานี่แหละใช้ได้ละค่ะต้องเพง่งต้องอะไรอีกอไม่ไม่เพ่งสิไม่ต้องเพงเ่งมีแต่เขาจะเลิกเพง่งนี่จะมาเรียนเพง่งปล่อยมันนะแล้วดูมันเล่นๆอย่างงั้นแหละใจก็โปร่งโล่งสบายดีแล้วนี่ไปเพ่งให้มันหนักทําไมล่ะไปไปทำม า, า, าบคบกค นคนที่ไม่เคยเข้าคอร์สเลยนะภาวนาง่ายไม่ติดเพ่งรู้ไปเลยรู้ซื่อๆนะคุณดูเล่นๆไปเนาะแต่แต่ละวันใจไม่เคยเหมือนกันหรอกไปดูเอาก้าสิบสนะีการนมัสการหลวงพ่อคะ่ะครั้งนี้หนูมาเป็นครั้งที่สองะคะ่ะก่อนออแล้วเพิ่งได้ฟังซีดีเมื่อครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคะ่ะที่ผ่านมาทีนี้ช่วงก่อนนี้เหมือนกับว่าตัวเองมีความทุกข์หรืออะไรเงี้ยจะมองทุกข์ว่าเออมัน มันเกิดแล้วถ้าเราไม่ไม่มองมันเดี๋ยวมันก็ดับไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ไปนึกถึงมันเราก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอฟังซีดีหลวงพ่อก็คิดตามเหมือนจิตจะคิดตามว่าเออเราคิดอย่างนี้แต่ทีนี้เกิดความสงสัยว่าเราไปกดมันหรือเปล่าค่ะกดสิกดนะะรู้สึกไหมใใจเราตอนนี้เรากดอยู่ดูออกไหม มันคือ้อแน่นๆนะนี่ยไปสังเกตเอาเวลากดมันจะแน่นๆให้เรารู้เฉยๆอย่าไปแทรกแซงมันอย่าไปว่ามันอย่าไปกดบังคับมันรู้เล่นๆไปปล่อยให้มันไปตามของมันใช่ไหมคะตามรู้มันไปไม่ใช่ปล่อยสเปสปะไปไหนนะปล่อยให้มันทํางานแล้วตามรู้เอาไม่ใช่ว่าปล่อยไปแล้วไม่ยอมดูอย่างแต่เดิมนียมันหนีทุก เวลามีความทุกข <p. emperor, S 2> hmm. ์ข like <okay. S 2> ึ really, so ้นมาก็หนีทำเป็นไม่คิดไม่เนึกหนีไปอย่างนั้นเป็นการหนีอันนี้ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะเราแค่รู้ไม่ไม่หลบเลี่ยงนะไม่ใช่ว่าทำเป็นไม่รับรู้มันรู้รู้ว่ามันมีแต่ดูสบายๆดูมันทำงานไม่เข้าไปแทรกแซงมันค่ะและอย่างนี้หนูเหมาะที่จะดูกายหรือดูจิตมากกว่าของคุณนะมันเป็นจิตที่ผสมผสานกันนะรู้กายได้ก็รู้รู้จิตได้ก็รู้รู้ไปด้ื่อยค่ะ บางส่วนใหญ่นะ่ะคนส่วนมากอ่ะจะผสมมันไม่ใช่ด้านใดนด้านหนึ่งโดดเด่นมากโดดเด่นมากก็จะมีพวกประเภทรักตัวเองรุนแรงรักสวยรักงามรักอะไรเงี้ยน่ะนี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งช่างคิดคิดมันได้ทั้งวี่ทั้งวันนะสงสัยได้ทุกเรื่องไม่ว่าใครพูดอะไรได้ยินอะไรสงสัยหมดเลยเจอกระทั่ ง, ทงวันหนึ่งอยู่คนเดียวไม่ได้ยินอะไรเลยยังสงสัยอีกว่าวันนี้ทำไมยังไม่สงสัยนะมีนะอันนี้พวกเนี้ยพวกคิดมากะ พวกนี้ดูจิตไปเลยของคุณมันผสมผสมกันก็ดูไปรู้กายบ้างรู้จิตบ้างแล้วแต่มันจะรู้เอาที่ <ขอ S 1> ยกมือเราเรียกไว้แล้วเบอร์อะไรมีที่เรียกไปแล้วนะมีไหมหมดยังเอาเบอร์ห้ากับเบอร์ห้าแล้วข้างหลังนั้นเบอร์อะไรที่ยกเมกี้เบอร์ยีิบเก้าเบอร์ห้าสิบแปดเขาากราบเรียนถามนะคะคือตอนนี้รู้สึก แต่ไม่ใช่วันนี้นะวันนี้รู้สึกจิตมันไม่ค่อยจะมีกำลังบางครั้งขณะเดินจงกรมอยู่ค่ะก็รู้ว่าจิตเราเนี่ยถ้าความคิดมันมีความคิดขึ้นมันจะอยู่ผิวผิวแต่ถ้าเราดูให้ลึกลงไปมันก็จะเป็นเหมือนกับไม่มีความคิดละตรงนั้นจบแล้วเหรอแล้วไงแค่มาเล่าเฉยๆนี่มาเล่าว่าอย่างนี้อยากจะกราบเรียนถามว่าเป็น วิถีทางที่ถูกไหมคะดูเล่นๆนะแต่นั้นหนูอย่าถึงขนาดต้องดูไม่ให้คลาดสายตาน ะ, ะรู้ไปสบายรู้บ้างเผอบ้างเพ้นหนูจะจริงจังแบบดูไม่ให้คลาดสายตามากไปหน่อยอดูสบายๆายน ะ, ะจริงจังไปนิดนึงเดี๋ยวหลวงพ่อขอเบรกหน่อยขอไปถอดเสื้อหนาวข้างในออกหน่อยก <c oughs> ็ <c oughs> อ, อากาศมันชักร้อนอ่ะกราบน้ำมันสการข้าหลวงพ่อ ได้อ่านหนังสือหลวงปู่ฝากไว้นะคะบางตอนก็ไม่เข้าใจสงสัยคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก<ม>ก็เลยบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไงค่ะก็เลยบอกตัวเองว่าสงสัยก็ให้รู้ว่าสงสัยเนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังอยากจะเข้าใจค่ะหลวงพ่อ อ, อยากกราบขอเรียนถามหลวงพ่อได้ปะคะอะลองถามมาถามว่าที่มีพระกรรมฐานถามหลวงปู่ดุลว่าหลวงปู่ถึงได้นิพพานหรือ ย, ยังหลวงปู่ก็บอกว่า ไม่มีอะไรที่ถึงแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่ถึง <ENGLISH S 1> ไม่เข้าใจตรง น, นี้คะ่ะก <_ separating> ็ไม่มีผู้ถึงนิพพานเนยนิพพานมีอยู่แต่ไม่มีผู้เข้าไปถึงนิพพานหรือผู้ไม่ถึงนิพพานไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเห็นไมนิพพานน่ะมันมีแต่ไม่มีผู้เข้าไปถึงนิพพานเพราไม่มีคนแต่ถามว่าหลวงปู่ดูลเห็นนิพพานไม่เห็นแต่ว่าไม่ใช่คนเห็นนะเอาเท่านี้เหรอค่ะ หาสงสารพ่อคะถามอีกนิดหนึงค่ะคือทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามด้วยแล้วก็เป็นคนที่ช่างคิดด้วยก็อยากกลับเรียนธรรมหลวงพ่อว่าช่างคิดเด่นกว่าความช่างคิดมันเด่นกว่าให้รู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะค่ะเอาต่อไปที่เรียกไปแล้วมีอีกสองคนเมื่อกี้เบอร์ยีิบเกกับเบอร์ห้าแดทั้งหลังไปส่งข้างหลังเลยข้างหลัง เวลาโยมชูมือนะชูป้ายขึ้นมาด้วยเดี๋ยวจะได้จําเบอร์กลับนมรด ก, กครับหลวงพ่อผมก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งครับตั้งแต่รู้จักหลวงพ่อก็ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับมาครั้งแรกก็มาฟังแล้วก็เอาซีดีกันไปฟังที่บ้านนะครับก็ปฏิบัติช่วงแรกๆ ก, ก็จะแบบเพ่งหรือว่าพยายามมองหาหรือว่าอ<ม>ืฝึกวิปัสสนาที่แบบควนหาว่าเ<ม><ม>ราคิดอะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับ เฉพาะช่วงหลังก็มาปรับแบบใหม่ครับเป็นแบบปล่อยให้แบบสบายๆเบาๆคิดก็ให้รู้ว่าคิดถ้าเกิดว่าเผลอประมาณนี้ครับหรือว่าถ้าเกิดคิดมากไปมันก็จะหนักๆครับมันจะเหนื่อยครับอืตอนก่อนนอนก็นั่งสมาธิแบบปฏิบัติในรูปแบบครับอืก็ลองลองลองดูแบบพ้าเกิดปล่อยใจเป็นกลางไม่ไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปจะได้แบบถ้าเผลอก็ให้ เราเริ่มเผลอแล้วก็คือเราปล่อยให้มันหย่อนเกินไปอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเรากลับมาคิดก็หนักเกินไปปล่อยเบาๆบางทีมันก็เหมือนจะรู้แต่ว่ามันก็รู้แค่แบบแบบครับเออได้ได้ดีแล้วนะรู้แว บ, บๆพอแล้วมไม่ไม่ต้องรู้เรื่องหรอกรู้แว บ, บๆก็พอแล้วเห็นไหมทุกอย่างเกิดแล้วก็ผ่านมาผ่านไปครับมันก็บางทีแบบนั่งไปก็อ่พอเราเริ่มรู้สึกตัวเริ่มคิดเลยแบบเหมือนกับเข้าสู่ทางสายกลางเงี้ยครับ อยู่ที่รู้ทันนะอย่าไปดึงนะ <Lucas. S 1> แค่รู้ทันเฉยๆอย่างจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดไม่ต้องไปดึงคืนมาถ้าดึงเราจะแน่นๆให้รู้สบายๆรู้เบาๆนะแต่ไม่ได้จงใจทำให้เบานะอย่าอย่าไปทำให้หนักมันก็เบาเองแหละแต่ไม่ไม่ใช่แกล้งทำให้เบาๆทำใจลอยๆเบาๆอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฝึกอยู่ ร, รู้สึกไหมสบายขึ้นสบายแล้วครับ แล้วเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นบ่อยครับนั่นแหละภาวนาเก่งยิ่งภาวนาเก่งจะยิ่งเห็นกิเลสเยอะแยะเลยแต่กิเลสจะตัวเล็กๆกิเลสไม่มีโอกาสตัวโตเพราะเรารู้ทันไวถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลสตัวเล็กมันก็กลายไปกิเลสตัวใหญ่ขึ้นมางั้นเราฝึกสติไปเรืนะกิเลสไหวแวบขึ้นมาเราก็เห็นแล้วมันก็ดับไปดีแล้วล่ะนะครับก็ตอนแรกๆก็พวกกิเลสช่วงช่วงแรกครับพวกโทสะจะแรงครับพรา ผมเป็นคนงุหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอฝึกมาก็พอแค่นิดๆหน่อยๆก็เริ่มเราก็รู้แล้วว่าเราหงุนงิดประมาณเนี้ครับดีแล้วล่ะต uh huh. ปฝึกไปอย่างนี้ถูกต้องล้วครับผม<อ>คเบอร์ห้าสิบปดกรนมัสการหลวงพ่อค่ะประดีช่วงนี้รู้สึกว่าจิตชอบฟังซีดีหลวงพ่อตรงช่วงดูขันนะคะอเหมือนแยกจิตแยกกายอะไรพวกเนี้ยค่ะเราเห็นมันแยกไหม ก็มีเป็นช่วงๆค่ะอยเห็นว่ากายเป็นของถูกรู้ดูออกไหมค่ะดีฝึกไปค่ะเหมือนเมื่อวานนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ก็เหมือนมันมีช่วงที่เหมือนเบอร์เบอร์ไม่ไม่ไม่ลงมาตรงช่วงนั้นจิตจะจะจะจะเป็นดูถูกต้องแบบแนวทางถูกสิทธนะมันเบอรู้ว่าเบอก็ใช้ได้ละค่ะดีฝึกไปอีกค่ะจริตช่วงนี้ควรควรจะดูอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ดูไปได้อะไรให้ดูก็ดูอันนั้นแหล ะ, ะไม่เลือกหรอกกรรมฐานไม่ต้องเลือกมากน ะ, ะมันไปรู้กายแล้วก็เห็นกายมันทำงานไปไม่ใช่เรามันจะดูจิตก็เห็นจิตมันทำงานจะดูเวทนาก็เห็นเวทนานไปดูเล่นๆไปทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิน้นขอบพระคุณค่ะดีฝึกไปน ะ, ะดีหลวงพ่อดีใจด้วยพวกเราฝึกกรรมฐานดีเพื่อชีวิตของเราเองแหละ ส่งมาร่สยมา 125, 133, บเยกช้าไปยกช้าไปครับกลับจาัมการหลวงพ่อครับคือก็ตื่นเต้นฮะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานี้ก็คืองานก็คือเขียนบทหนังแล้วก็เลยดูหนังเยอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการภาวนาเอ่อคือคือคือคือดูใช้ ใช้วิธีการดูหนังเนี่ยเพื่อเพื่อดูอารมณ์ตัวเองอแล้วก็ได้เห็นดีนะดูใจเราแปลงไปแปลงมาแต่ระหว่างหนังหนึ่งนะอาชีพเราอ่ะพอใจมันนิ่งเลยเดี๋ยวเราจะไปเขียนบทหนังมีแต่ความว่างอก็ไม่ไม่ได้เขียนให้ว่างขนาดนั้นเขียนเขียนแบบวิธีการระบบใหม่ๆเลยที่มันลืมเรื่องใช้ชีวิตปัจจุบันออกไปดูไปนะทําหนังก็ดูไป เมื่อกี้ใครยกมือเราเรียกไปแล้ว133 51เบอร์8เบอร์143่เบอร์70เอาเแค่นี้กันนะเดี๋ยวหลวงพ่อจับไม่ได้นมัส ก, การหลวงพ่อครับที่ผ่านมาก็จะใช้วิธีการตามรู้กายตามรู้ใจในชีวิตประจำวันจิตขนาดนี้เป็นไงตื่นเต้นครับกดไปดูออกไหม นิดหน่อยครับไปทำให้มันนิ่งนะอย่าไปบังคับมันตื่นเต้นไม่เป็นไรัรบตื่นเต้นนั้นจิตมันตื่นเต้นเองครับตรงที่กดไปเนี่ยเราไปแทรกแซงมันนะครับพ่อแค่ดูจิตเขาทํางานไม่แทรกแซงเขาครับอ้าว่าไปก็จะมีอย่างลุกขึ้นมาเดินจงกรมตอนเช้าบ้างครับก็หลังจากเดินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราใช้ชีวิตในประจาําวันเราเดินเดินไปบางทีสติมันจะเกิด ใด้ได้ไดใช่อาศัยว่าเราฝึกซ้อมเนี่ยนะครับต่อไปอยู่ในชีวิตจะมาสติเกิดเองคนั่นแหละดีที่สุดเลยตรงที่เขาเกิดได้เองนะหลวงพ่อสังเกต ด, ดูเวลาที่เราภาวนาหรือใครจะเกิดมรรคเกิดผลในขณะไหนขณะนั้นมันจะเป็นเองไม่มีเจตนาสักนิดเลยแต่ว่ามันเป็นขึ้นมาเองได้อย่างสติสมาธิปัญญาทํางานขึ้นมาได้เพราะมันคุ้นเคยที่จะทํางานงั้นเราฝึกในรูปแบบฝึกอะไรของเราไปเรื่อยๆนะ จนกระทั่งสติมันอัตโนมัติเลยมันทำเองถึงจะใช้ได้ดีแล้วก็วันนี้ก็จะมาขอขมาลาหลวงพ่อไปบวชประมาณสามเดือนด้วยครับผมเออไปบวดที่ไหนล่ะก็จะไปอยู่ที่ตอนแก้วครับอย่าหมดแต่ไปทำงานนะครับนั่นรู้สึกตอนหลังๆงานเยอะยามภาวนาไว้ครับงานก็ให้หลวงพ่ออานาจท่านทำไป ครับท่านใจดีครับเราภาวนานะอยู่ที่ท่านหน้าห่วงตอนหลังๆหลงางพ่อชักหัวแล้วพ่อคนไม่เข้าวเยอะนะได้ข่าวแนะนำท่านไปบอกให้ไปทำรั้วได้ข่าวว่าท่านก็ทำแล้วเพราฉนั้นเราต้องภาวนานดีภาวนาไปขอบคุณครั บ, รบอส่งไปเบอร์แปดครับขอบคุณค่ะ ออลุงพ่อครับบางทีระยะหลังนะคะมันมีความรู้สึกบางอย่างเข้ามาเช่นความความง่วงหรือว่าโทสะมันมากผิดปกติแล้วจนหนูรู้สึกสงสัยว่ามันอาจจะมาจากข้างนอกอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคือของเราเนะี่ยเรากดเอาไว้นานที่ภาวนามาแต่ก่อนนะีมันกดไว้ตอนนี้มันคลายการกดนะกิเลสเรื่องเอาคาไหลคิดดอาเปี้ยบ้างแหละอย่าไปโทษว่ามาจากคนข้างนอกเลยนะแล้วไงอีก ว, วิธี บางทีหนูรับมือกับมันไม่ไหวแล้วมันมันมันไหลไหลาตามมันไปอะคะ่ะไหลให้รู้ว่าไหลยอย่าไปฝืนมันนะถ้ามันจะไหลแล้วเราฝืนไว้เราจะอึดอัดแค่ไหลแล้วรู้ว่าไหลแค่นั้นพอแล้วนะทำใจถึงถึงนะยังบังคับอยู่เรื่อยๆแหละต้องปล่อยให้ได้จริงๆแล้วเราจะพบว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดไว้นะอ่าเบอร์ต่อไปที่เรียกไว้แล้วเบอร์70นะ หกสิบเก้าร้อยสีบสามเบอร์หนึ่งแล้วทั้งนั้นมีเบอร์สิบสี่ใช่ไหมหมดรือย่างที่เรียกไว้แล้ ว, าวการทวาการหลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกครับจะขอถามหลวงพ่อย้อนย้อนไปก่อนตอนนู้นตอนทำงานใหม่ใหม่ปีสองพรอยิบห้าฮะผู้ใหญ่ก็พาไปตามวัดป่าแล้วก็เขาไปปฏิบัติทำงานแต่ส่วนใหญ่ผมไปแล้วไม่ได้ไปนั่งแต่ทาไมเวลาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ช่วงนั้นรู้สึกว่ามันมีความสุข เคยอยู่กับหลวงปู่สิมมาหลวงปู่เทศเทศลังสี ม, มันมันเบาสบายฮะสบายสิกระแสจิตของท่านนะร่มเย็นเป็นสุขหลวงพ่อก็เป็นรู้สึกหลวงปู่สิมหลวงปู่เทศเหมือนกันอยู่กับท่านแล้วมีความสุขนะก็ดีแล้วละ่ะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เคยไปภาวนาะแต่ว่าพผู้ใหญ่เขาอยออกไปภาวนากันสมัยนั้นพวกนั้นปล่อยให้เขาลำบากไปพออนะอมาตอนนี้เพิ่งมาได้ฟังซีดีหลวงพ่อว่าให้ดูจิต ตอนหลังก็ได้เริ่มรู้เวลาเราขับรถหรืออะไรที่ว่าเนี่ยเจอสภาพแวดล้อมขึ้นมาเราจะโกรธกับเขานั่นแหละดีพอมาตอนหลังเนี่ยเผลอโกรธไปปั๊บก็รู้พอรู้เลยก็หยุดลงมาออดีนะหยุดลงมาเสร็จก็บางทีก็จะหลุดออกไปเรื่อยฮแต่ว่าก็รู้ทุกครั้ง อ, อแม้แต่ที่ทํางานบางทีก็มีปัญหาแล้วก็โกรธเขาเออพอโกรธเสร็จกลับมา น, นึกได้ว่าเราไปโกรธเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ย อ, อทีนี้จะถามหลวงพ่อว่าถ้าจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมยังไงอีกต่อไปดูลูกเดียวเลยนะ อย่ารเราขับรถหรือเราจะกินข้าวเราจะอาบน้ําอะไรเนี่ยเรารู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรนะใจเราเ ป, เปลี่ยนแปลงไงเราคอยรู้ลูกเดียวเลยฝึกอย่างนี้แหละพอแล้วแล้วบางทีอยู่ที่บ้าน<ม>บกติจะไม่ได้ภาวนาอะไรแต่อยู่เงียบๆแต่บางครั้งพอเห็นอะไรปั๊บมองไปทุกอย่างสุดท้ายมันไม่มีอะไรเป็นของเราสกักอย่างแล้วเกิดเบื่อขึ้นมาเบื่อให้รู้ว่าเบื่อให้รู้ว่าเบื่อนะครับรู้ความรู้สึกของเราลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะ ครับแล้ว อ, อ, อีกข้อหนึ่งก็มีอยู่สองผลคือป่วยอยู่อยู่คนเดียวไม่สบายหนักมันน้ําท่วมปอดเป็นจกลางจะเป็นโรคไตาวายตอนนั้นเสร็จแล้วก็เลยคืนนั้นก็เลยภาวนาไปเลยคือจําจากหลวงปู่สอนกันมาก็ได้ภาวนาพุโทโธไปอืสุดท้ายหเห็นตัวเองนอนอยู่ที่พื้นฮะแล้วรู้สึกมันเบาสบายบอกไม่ถูวแล้วมันรุปไปเลยฮะอ่านะจิตเรามีสมาธิเป็นอย่างนั้นอีก7วันผมก็เป็นอีกพอเป็นอย่างนั้นหายใจไม่ออกผมก็ภาวนาก็เห็น แล้วก็เห็นบ้า น, านเห็นรถอยู่<ๆ>ก็ก็เลยไม่ได้สนใจถือว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเออ อ, อย่างนี้มันมันเป็นแบบนี้เลยเออดีแล้วละ่ะครับถ้าจะตายก็ต้องสู้ตายอย่างนั้นแหละนะครับครับครับ อ, อ่าไปต่อไปเบอร์หนึ่งหกสิมานะอยู่ทางผ่านเอากรโย้ว่วงไวนะะหมดเวลาละกราบนมันสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ตื่นเต้นเออตื่นเต้นธรรมดาก็เพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะค่ะ ก็บางวันรู้สึกว่ามันดูทั้งวันเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นค่ะแต่ว่าเราดูต้องดูเล่นๆนะอย่าดูแบบหมกมุ่นนะรู้รู้บ้างเผลอบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าต้องดูไม่ให้คลาดสายตาเลยคือมันกลายเป็นดูทั้งวันเลยนั่นแหละเดี๋ยวมันจะเครียดไปแต่มันไม่เครียดรู้สึกมันสบายอะค่ะแล้วถ้ายังสบายอยู่ก็ดูไปนะแต่ใจมันไปติดความนิ่งความว่างไปนิดนึงแล้วใช่ค่ะ อย่าไปให้มันติดอยู่ที่นี่นะให้รู้ทันมันเริ่มไปพอใจในความนิ่งความว่างนี้ค่ะให้รู้ทันนะถ้าไม่รู้ทันเยจะติดอยู่ตรงนี้ไปไม่รอดแล้วต้องทํายังไงต่อให้รู้เฉยๆให้รู้ทันใจเราไปติดอะไรก็คอยรู้ทันไหมต้องบางบางครั้งมันก็ดูกายอ่ะไม่เป็นไรเหมือนกับใจเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้ว่าเต้นนั่นแหละรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้นะ รูแล้วก็รู้สึกตัวไว้รู้แล้วใจเราเป็นยังไงก็คอรู้ทันไปใช้ได้แล้วล่ะไปจะให้ติดในว่างๆนี้ก็แล้วกันเบิร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยู่ที่เสาเลยเชิญขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายคําว่ามีในสิ่งที่ไม่มีและที่ไม่มีมันมีเพราะอันนี้มีได้ยินเสียงมาว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วผมไม่ทราบว่าสิ่งนนที่ได้ยินอันนั้นเป็นหลวงปู่มั่นท่านเขียนไว้นะในขันทวิมุติสมังมขี มันมีสิ่งที่ไม่มีนะมันไม่มีนะสิ่งที่ไม่มีแนละ้วมันมีเนะี่ยมันไม่ ม, ม, ม, มีมันไม่มีโลกนะมันก็มีธรรมเราไปอ่านนะอยู่ในขันทวิมุตสมังคีท่านเขียนไว้เยอะ <นำ S 1> เลยด้านน้ำสือนั่นอยู่ที่ไหนครับใครมีบ้าง <laughs> ใครจะบริจาคบ้างมีไหมอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลวงพ่อครับเพราะว่าที่ผมนอนอยู่วันนั้นเนี่ยมันได้ยินเสียงตรงนี้เลยทําให้อันนี้มาถามหลวงพ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่ว่ารู้ไหนรู้อันนี้คืออะไรครับคืออย่างนี้นะยมอย่าอย่าคิดเอาให้เรารู้ลงปัจจุบันเลยนะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราคอยรู้ไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปเรื่อยนะในสุดเราจะเจอรู้ที่แท้จริงอย่างคำว่ามีไม่มีนมีไม่มีนี้เป็นธรรมที่ล้ำลึกนะมันมีสิ่งสิ่งซึ่งมันเคยมีแล้วมันก็ไม่มีนะหมายถึงว่าในโลกเนี่ยมันเคยมีอยู่ นะถ้าเราดูไปดูไปมันไม่มีเสร็จแล้วพอมันไม่มีเนี่ยเราไปพบความมีคือเราไปพบนิพพานในความไม่มีอะไรเนะี่ยท่านถึงสอนบอกมีไม่มีนี้เป็นธรรมที่ล้าลึกนะส่วนรู้ในรู้กายในกายเวทนาในเวทนาอะไร น, นีน่ยังไม่ต้องสนใจก็ได้นนะิยมแค่รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปเรื่อยๆเนะช่นใจเราสงสยัยรู้ว่าสงสยัยใจเราโลภรู้ว่าโลภใจเราเกโกรธรู้ว่ากโกรธ ยมคอยดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะอธิบายให้ฟังใหม่สักครั้งครับพราหูผมไม่ค่อยได้ยินต่อนหูนเสียพิการไปข้างหนึ่งครับยมไม่ต้องทําอะไรมากนะคอยดูความรู้สึกของตัวเองไปดูความรู้สึกของตัวเองใจมันโลภรู้ว่าโลภใจมันโกรธรู้ว่าโกรธใจลอยรู้ว่าใจลอยอย่างตอนเนี้ใจไปคิดแล้วใจไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดนะ เดี๋ยวโมเอาซีดีไปฟังนะมีเรื่องพวกนี้เยอะเลยอไปต่อไปอกลับน้ำรัสกาหลวงพ่อครับผมขอสารภาพกับหลวงพ่อหน่อยนะฮะเมื่อประมาณเดือนกุมภาผมมากราบลาหลวงพ่อเพื่อบวชนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปไประจำอยู่ที่วัดเป็นประขาวอยู่นะฮะไปอยู่สักได้สักอาทิตย์ ก, กว่าก็ไม่สบาย เป็นไตาวายเป็นเป็นเป็นไตอักเสบแล้วก็เป็นนิ้วก็เลยต้องมันหอนโรงพยาบาลแท น, นหลังจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องฟันเรื่องอะไรก็เลยไม่ได้บวชแต่ก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านประจำประจเป็นนะก็มีโอกาสก็บวชไม่มีก็ไม่เป็นไรอ๋อครับการภาวนาไม่เกี่ยวกับบวชไม่บวชหรอกเป็นคฆราวาสก็ภาวนาก็ก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเกือบทุกวัน ว่าปฏิบัติมาถูกทางอะไรอย่งเขดีขึ้นนะโยมรู้สึกไหมมันสบายขึ้นครับฝึกไปเรื่อยนะดูไปดูกิเลสไปยิ่งเห็นกิเลสบ่อยน่ยิ่งมีความสุขพอพอดีลูกชายนภัสก็กลับมาจากอเมริกาชั่วคราวแจะมาเยี่ยมพิธีบานจะขออนุญาตส่งกันบ้านกับหลวงพ่อไหนอยู่ไหนอ๋อหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยอ้าวว่างไงกลับนภัสการหลวงพ่อครับ ตอนนี้รู้สึกว่าเพ่งน้อยลงกว่าแต่ก่อนแต่ก็<ช>ฟุง้งแต่ก็ฟุ้งค่อนข้างเยอะเหมือนกันเออดูถูกละไปดูอีกเอาไปทางน้นมีคนหนึ่งผู้หญิงเบอร์อะไรนะเบอร์14เนอะนเบอร์ 14. ไปได้คนสุดท้ายเบอร์14เมื่อเวลา 9.59 โมงนาทีเบอร์14ยกไว้ไมไปถึงไหนแล้วถึงนี่คะ่ะการ้มัสการนะคะหลวงพอ่อเดี๋ยวอยู่ไหนมองไม่เห็นล้ ไหนยืดยืดตัวหน่อยมองไม่เห็นนะอ๋อว่างไงว่างไงการนมบวัฏจัรนะคะคือว่าอย่างการปฏิบัติของเรานี่ค่ะพูดดังๆนี่เธอะอย่างอย่างการปฏิบัตินี่ค่ะที่หลวงพ่อให้รู้กายรู้ใจทีนี้ว่าเมื่อเมื่อเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นนะคะเราก็รู้อย่างความโกรธความโลภความหลงที่เกิดขึ้นนะคะเราทราบว่าเกิดแต่ทีนี้ว่าคือเราก็สติของเราเนี่ยค่ะ ยังไม่ต่อเนื่องแต่เราทราบว่ามีความโกรธเกิดขึ้นหรือว่ามีความมีโทสะเกิดขึ้นนี้ค่ะอันนี้คือพอเราเอาสติคือเราอาจจะสะติไม่ต่อเนื่องเราก็ทราบแต่ทีนี้ว่ามันไม่หายไปนะคะลูกก็ใช้ความาใช้พิจารณาว่าลูกโกรธเพราะอะไรหรือว่าลูกมีโทสะเพราะอะไรลูกก็จะหาเหตุผลตรงเนี้ค่ะอ mm. ทีนี้ว่าความโกรธมันก็ใช่ว่าจะหมดไปแต่มันจะค่อยๆจางคาย ไม่ทราบว่าการปฏิบัติของรูกคือลูกพิจารณาอย่างนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าถูกนะแต่เป็นสมถกรรมฐานวิปั ส, สนาจริงๆไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะให้ความโกรธที่มีอยู่หายไปวิปั ส, สนาจริงๆจะดูให้จนกระทั่งเห็นเลยว่าความโกรธมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปที่โยมอยู่ทําอยู่นะโยมมุ่งไปขจัดความโกรธนึกออกไหม ถ้าเรามุ่งไปดับตัวความโกรธมุ่งไปดับตัวกิเลสอะไรเนี้ยเราก็กลายเป็นสมถกรรมฐานวิธีทําสมถะอย่างหนึ่งคือการคิดพิจารณางั้นเราคิดคิดคิดไปนะว่าโกรธไม่ดียัางง้นอย่างนี้อะไรเนงะี้ยความโกรธก็หายไปช่วครั้งช่วคราวเดี๋ยววันหลังก็โกรธใหม่อันนั้นดีเหมือนกันแต่ดีแบบสมถะคือทําให้ใจสงบแล้นต่อไปนี้ลองทดลองใหม่เวลาจิตมันมีความโกรธนั่งดูไว้ซี้ใครมันโกรธ จิตมันเกิดของมันเองเราเป็นแค่คนดูนะพยายามดูอย่างนี้น ะ, ะเอาซีดีไปฟังเพิ่มด้วยน ะ, ะของโยมที่ส่งกันบ้าน ม, ามันยังเป็นสมถะอยู่มันก็<อ>ดีนั่นแหละดีกว่าคนทั่วๆไปแต่แ ต, ต้องอให้ดีกว่านี้อีกะจะพยายามให้ดีกันอีกอย่างเนึงเขาหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่าคือให้เรามีสติรู้กายรู้ใจให้เราเป็นผู้ให้เรารู้แต่ทีนี้ว่าเราจะต้องเอาตัวของเราไปอยู่ยตรงผู้รู้ไหมคะ ไม่ต้องเราจะต้องไปไม่ต้องไม่ต้องนะรู้ไปสบายสบายรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดานะไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนหรอกสังเกตไหมตอนนี้จิตแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมแวบหนึ่งค่ะเออนั่นแหละจิตมันไหลแวบไปเราก็รู้ว่าไหลแวบไปค่อประคองอยู่ไม่ประคองไม่ประคองให้ให้รู้ตัวให้รู้เฉยเฉยรู้บ้างเผลอบ้างไม่ต้องรู้ตลอดเวลานะหลวงพ่อใจดีแบ่งเวลาไว้ให้เผลอบ้างและทํายังไงคะถึงจะแบบ จึงจะหลุดพ้นได้เพราะมันรู้ไม่ตลอดนะคะไม่ต้องรู้ตลอดถ้ารู้ตลอดแล้วไม่หลุดพ้นหรอกเวลาเรารู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างนะถึงจุดนึงปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็ไม่รู้นะจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นี่เห็นอย่างนี้มันถึงจะได้ธรรมะไม่ใช่ว่าจะต้องดีตลอดเวลานะเราจะเห็นเลยดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงจะได้ธรรมะ อ้างเชิญโยมกลับบ้าน